พระเถระท่านหนึ่งพระเถระท่านหนึ่งอายุมากเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ก็พระเถระที่ <unc> มีอายุมากเป็นที่เคารพของลูกศิษย์เนี่ยก็จะถูกจัดให้มีพระอุปถาคอยดูแลท่านอายุมากแล้วเวลาเดินไปสงน้ําก็ต้องมีพระคอยดูแลเรื่องน้ําสงออกมาก็มีพระคอยประคองคอยดูแลเรื่องผ้าดูแลเรื่องอาสนะที่นั่งอะไรเงี้ยนะ เถระท่านนี้เนี่ยเป็นพระผู้ใหญ่ก็จัดพระอุปถากถึงสมรูปมาช่วยกันดูแลพระสามรูปนี้ก็ดูแลอย่างดีมีความเคารพมากเคารพในคุณธรรมของท่านด้วยนะเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ครั้งหนึ่งท่านก็ใช้สิทธิ์ของความเป็นพระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยมักจะทาอะไรได้ตามอาเภอใจใช่ไหมท่านใช้สิทธิ์ยังไง ท่านผายลมใครเคยใช้สิทธิ์นี้บ้าง <laughs> รู้จักผายลมไหมรู้จักไหมภาษาไทยสั้นๆว่าตดนะตดเขาว่าผายลมกับตดเนี่ยความรู้สึกต่างกันไหมมีความรู้สึกต่างกันใช่ไหมเขาว่าผายลมเนี่ยรู้สึกว่าสุภาพกว่าใช่ไหมถ้าคำ ว, ว่าตดเนี่ยมันเหมือนมีกลิ่นด้วยใช่ไหม <laughs> ผายลมรู้สึกว่าเป็นแค่ลมตดนี่รมมีกลิ่นด้วยกลิ่นด้วย แต่ผายลมของพระเถรซเนี่ยนะครั้งนี้เนี่ยท่านใช้สิทธิของความเป็นผู้ใหญ่คือไม่ต้องเกรงใจลูกศิษย์นะไม่ต้องเกรงใจลูกศิษย์ก็ผายลมเป็นผายลมที่สมบูรณ์ที่สุดนะเท่าที่ท่านจะทําได้ <laughs> สมบูรณ์ด้วยเสียงและกลิ่นต้องทำซาวด์เอฟเฟกประกอบไหมไม่ต้องนะเราไม่ต้องใช้สเปเชียลเอฟเฟกมีกลิ่นไปให้โยมด้วยนะไม่ต้องนึกเอาเอง ท่านใช้สิทธิ์นั้นแล้วต้องพระผู้ใหญ่ทําได้นะ่ะพระเด็กๆอย่าไปทํำนะท่านใช้สิทธินั่นแล้วท่านก็ถามพระอุปถากเป็นยังไงเหม็นไหม เ, เป็นโยมจะตอบว่าไงจะตอบว่าไงอยู่ตอนหน้าท่านเลยนะแต่อยู่กันอยู่กันสี่รูปเนี่ยมีพระเถระแล้วก็มีพระอุปถากด้วยกันอีกสามรูป เราเป็นพระอุปถากองค์หนึ่งในนั้นเนี่ยถูกถามอะโยมจะตอบบ้างไงฮะเหมนโยมบ่างไงควรตอบบ้างไงฮะได้กลิ่นโยมบ้างไงไม่รู้สึกโ <laughs> ยมบ้าไงจะตอบบ้างไงฮะ <laughs> องค์แรกนะองค์แรกท่านตอบบ้า พนมมือด้วยนะไม่เหม็นขอรับนี่คือเรียกว่าอะไรเกรงใจเกรงใจพระเถระเรียกว่าถนอมน้ำใจท่านนะเดี๋ยวท่านจะได้อายกลัวกลัวว่าท่านจะอายก็เลยไม่เหม็นขอรับพระเถระชี้ใช้ไม่ได้ทำไมใช้ไม่ได้ไม่รักษาสัจจะไม่รักษาสัจจะใช่ความจริงเป็นยังไงพูดผิดความจริงไม่รักษาสัจจะใช้ไม่ได้ แล้วถ้าเราเป็นองค์ที่สองเราจะตอบไงฮะเหม็นองค์ที่สองก็ตอบเลยเห็นแล้วว่าองค์แรกตอบมานกินแล้วถูกฉะใช่ไหมเหม็นครับเหม็นมากด้วยพร้อมทั้งมีเสียงด้วยผมได้ยินนี่แน่ใจแต่ว่าเหม็นท่านท่านถามแค่เหม็นหรือไม่เหม็นไม่ได้ถามว่าเสียงดังไหมเพราะได้ยินแล้วแน่ๆองค์ที่สองรู้เลยว่าถูกองค์หนึ่งถูกดุไปแล้ว เหม็นครับเหม็นมากเลยครับท่านก็ใช้ไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะตามรักษาสักจะแล้วนะแล้วทำไมใช้ไม่ได้ทําไมอ่ะฮะไม่รักษาน้ําใจเรื่องจริงไม่ได้พูดได้ทุกขณะโอ้พูดจริงก็จริงเนี่ยแต่เรื่องจริงเนี่ยไม่ใช่พูดได้ทุกเวลา ต้องเลือกพูดต้องเลือกเวลาพูดอา้าวว่าไงถามคนองค์ที่สามจะตอบว่าไงองค์ที่สามบอกไม่เหม็นก็ไม่ได้บอกเหม็นก็ไม่ได้ตอบว่างไงไม่รู้สึกไม่รู้สึกก็โกหกนะมันรู้สึกอยู่แล้วอ่ะองค์ที่สามพลนมมือบอกธรรมดาครับโกหกไหมไม่โกหกถนอมน้ำใจไหมถนอมใจไม่หักหาน้ําใจด้วยนะธรรมดาครับ ไม่ผิดสัจจะด้วยตามอนุรักษ์สัจจะวิธีตามอนุรักษ์สัจจะไม่ใช่ตามแบบบือบ้อๆนะเหมือนองค์ที่สองเนี่ยตามแบบบือบ้อๆใช่ไหมตามแบบเม้นท์ครับแต่ไม่รักษาน้ำใจฟังแล้วมันดูเหมือนว่าอะไรอะพระผู้ใหญ่จะเสียหน้านี่แค่อยู่กันในวงแคบๆยังต้องระวังรักษากันขนาดนี้เห็นไหมอยู่ในวงกว้างๆไม่ใช่ว่าฉันจะพูดความจริง จะต้องถูกต้องเสมอไปตามรักษาสัตจะต้องมีศิล ป, ปะด้วยไม่ใช่ฉันนี่แหละเรื่องจริงฉันจะแหกด่านเข้าไปก็จะเจออาวุธหน้าแตกออกมาต้องมีศิล ป, ปะนะศิล ป, ปะในการพูดพระพุทธเจ้าจะมีหลักในการตรัสเคยบอกไว้ในที่นี้ใช่ไหมสิ่งนั้นจริงไหมมีประโยชน์ไหม คนฟังพอใจหรือไม่พอใจท่านก็ถ้าสิ่งนั้นไม่จริงถึงแม้จะมีประโยชน์คนฟังพอใจไม่ตรัสสิ่งนั้นจริงแต่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ตรัสไม่จริงไม่มีประโยชน์ไม่ตรัสแน่นอนจริงต้องจริงและมีประโยชน์คนฟังจะพอใจหรือไม่พอใจเลือกเวลาตรัสดูสิไม่ใช่พูดได้ตลอดเวลานะ เรื่องจริงมีประโยชน์ก็ไม่ใช่ว่าพูดได้ตลอดเวลาเลือกเวลาตรัสคนพอใจข้อมูลนั้นเนี่ยคนฟังแล้วจะพอใจก็เลือกเวลาตรัสจริงมีประโยชน์คนฟังอาจจะไม่พอใจแต่มีประโยชน์อ่ะก็เลือกเวลาตรัสความจริงบางอย่างคนฟังไม่พอใจนะความจริงบางอย่างแต่มีประโยชน์สาหรับคนฟังนั้นก็ต้องเลือกเวลา พึงเพิ่มพูนจารคะจารคะเนี่ยแล้ความรู้สึกเหมือนต้องเสียเสียออกไปแต่ต้องเพิ่มพูนเพิ่มภูเพิ่มภูนตัวจารคะเพิ่มภูนบุญนั่นเองเพิ่มภูนกุศลตัวจาระคะนี่เป็นกุศลสละของไปได้กุศลสละโอกาสก็ได้สละโอกากสกาเช่นบุญอันนี้เนี่ยเราจะทําทั้งหมดก็ได้ แต่แบ่งให้เพื่อนได้ทำบ้างเรียกว่าสละโอกาสให้โอกาสให้เขาได้ทำบ้างบางทีเรางกใช่มงกบุญไหมอยากจะทำเองทั้งหมดใช่ไหมบางทีเป็นบุญทำบุญเพื่อสนองความต้องการของตัวเองกับทำบุญเพื่อคนทั่วๆไป ไม่มาเพื่อสนองตัวเองบุญสองอย่างไม่เท่ากันและบุญที่เพื่อตัวเองไม่ได้เป็นเพื่อจ่าคะแต่บุญเพื่อคนอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์พระศาสนาเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อประโยชน์แก่งานกิจการโดยส่วนรวมเช่นจิตอาสาของบ้านนี้ทางานเพื่อส่วนรวมถ้าทาด้วยจิตอย่างนี้จะได้จ่าคะด้วย บุญอื่นก็ได้ด้วยนะแต่ตัวจาคะก็จะได้ด้วยคือสละความเห็นแก่ตัวด้วยเคยรักษาศีลแล้วอยากจะให้ตัวเองมีบุญเยอะๆมันก็เป็นกายเป็นเพื่อตัวเองทำบุญให้ทานอยากจะให้รวยมีไหมเคยไหมอยากจะให้ตัวเองรวยอันนี้ก็เพื่อตัว ต, วตนขาดความมีจาคะขึ้นมา ไปทำบุญเพื่ออยากจะได้สอบได้มีไหมอยากให้สอบได้อยากให้เข้าที่ทำงานได้เพื่อตัวตนนะันนี้เพื่อเพื่อตัว ต, วตนอยากให้มีชื่อเสียงแม้แต่แสดงธรรมแม้แต่แสดงธรรมหรือไปสอนธรรมหรือไปพูดคุยธรรมะกันเองก็แล้วแต่ท่านบอกว่าถ้าตั้งจิตไว้ว่า เราจะแสดงธรรมให้คนทั้งหลายพึงตั้งใจฟังคนทั้งหลายพึงตั้งใจฟังฟังแล้วพึงมีจิตเลื่อมใสในธรรมเลื่อมใสแล้วพึงแสดงออกซึ่งความเลื่อมใสนั้นตั้งจิตอย่างนี้เป็นการตั้งจิตที่จะแสดงธรรมที่ผิด ดูเหมือนจะดีใช่ไหมคนทั้งหลายพึงมีความตั้งใจฟังฟังแล้วพึงเลื่อมใสเลื่อมใสแล้วพึงแสดงออกซึ่งความเลื่อมใสนั้นมันเข้าตัวตนพึงพึงมาเลื่อมใสเราพึงมีลาบสการะมาถวายเรามีของต่างๆมีปัจจัยต่างๆมาถวายเราพึงศรัทธาเราเราจะมีชื่อเสียงต่อไปตั้งใจอย่างนี้ก็ผิด ตั้งใจถูกทำไงทำที่พระองค์ทรงแสดงไว้ทำที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ตรัสไว้ดีแล้วเราจะแสดงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นให้เขาได้เข้าใจให้เขาทั้งหลายเข้าใจแล้วได้ไปปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ให้ท่านทั้งหลายได้รู้จากธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้จะมาประกาศธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนา ตั้งใจอย่างนี้ต้องตั้งใจอย่างนี้นะที่ท่านพูดตรงนี้เนี่ยท่านพูดถึงพระมหากรสปะท่านพูดถึงมหากรสปะว่าพระมหากรสปะไม่เคยแสดงธรรมเพื่อตัวเองเลยพระมหากรสปะแสดงธรรมครั้งใดจะตั้งใจอย่างนี้อยู่เสมอว่าทำที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ตรัสไว้ดีแล้วเราจะนำธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นมาประกาศต่อแต่อาจจะเป็นสํานวนของท่านนะ อาจจะไม่ใช่ว่าท่องจากผู้เจ้ามาเป๊ะแต่ด้วยสำนวนของท่านนํามาประกาศต่อขอให้สัตว์ทั้งหลายหรือคนทั้งหลายจงได้รับประโยชน์จากศาสนาอย่าให้เขาพลาดโอกาสอันดีที่เกิดมาพบพุทธศาสนานี้เลยต้องตั้งใจอย่างนี้นะเวลาเราได้รู้อะไรแล้วจะไปบอกต่อเนี่ยนะไม่ใช่บอกเพื่อว่ากูเก่งฟังแล้วจงเข้าใจด้วยว่ากูเก่งนะ ถ้าตั้งใจงี้ตั้งใจผิดแต่โอ้ชันได้รับประโยชน์ได้รับแล้วเนี่ยขอให้เธอได้รับประโยชน์นี่ด้วยไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้เขาเข้าใจว่าชั้นเก่งเลยหรือให้เขาอิจฉาว่าชั้นเนี่ยได้ฟังทำดีๆนะอไเงี้ยไปพูดโมให้เขาเพื่อให้เขาอิจฉา น, นี่ก็ผิดนะทำไมทาไมถึงผิดพูดแล้วทำให้เขาเกิดอกุศลอิจฉาเป็นกุศลหรือกุศลอกุศลเป็นอกุศล ความตั้งใจของเราต้องตั้งใจเพื่อให้เขาเกิดกุศลให้ได้รับประโยชน์จากพระศาสนาตรงนี้เราฟังแล้วเข้าใจแง่มุมนี้ไปบอกต่อให้เขาเข้าใจด้วยให้ได้รับประโยชน์นี้ด้วยไม่หวงความรู้อันนี้ไม่กลัวเลยว่าถ้าเขาจะมีความรู้นี้แล้วจะดีเท่าเราหรือดีเกินกว่าเราขอให้ประโยชน์นี้จงมีแก่สัตว์โลกทั่วไปเขาได้ประโยชน์นี้มากกว่าเราแล้วเขาอาจจะบอกเราต่ออีกก็ได้ เหมือนที่เราเคยได้ประโยชน์แล้วเอื้อเฟื้อเขาบอกเขาไปไม่กักความรู้บอกไปแต่บอกเท่าที่ตัวเองรู้บอกเท่าที่ตัวเองรู้นี่เรียกว่าอะไรพึงสั่งสมจารักเผื่อแผ่ไปไม่ได้ทำเพื่อตัวตนความรู้ก็ให้ไปเพื่อประโยชน์สัตว์โลกทั้งหลายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขนาดเรียนธรรมะก็ไม่เอาเข้ามาใส่เพื่อประโยชน์ตัวเอง เพื่อให้ตัวเองมันจะเป็นการเห็นแก่ตัวจริงๆแล้วตัวเองไม่มีเป็นความคิดผิดเป็นความคิดผิดเรียนไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่ามันไม่มีมีแต่สภาวะที่เกิดดับถ้าเจริญฌานมาก็จะเห็นเลยว่ามีธาตุสเกิดดับมีธาตุหเกิดดับถ้าเจริญจิตดูจิตมาก็จะเห็นเลยว่ามีแค่ขันห้าเกิดดับมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับ มีกิเลสเกิดดับเกิดขึ้นมาก็ดับเกิดขึ้นมาก็ดับทำไมถึงดับเพราะมีสติถ้าไม่มีสติไม่ดับหรือดับโดยที่ไม่มีสติก็ไม่รู้ว่ามันดับจริงๆแล้วกิเลสดับไหมปกติแล้วดับนะแต่ไม่มีสติไปดูกาลังโกรธอยู่กาลังโกรธอยู่เนี่ยนะเห็นหน้านี่โกรธแล้วนะมีคนสกิเรียกไปกินกันลืมโกรธแล้วไปอยากกินต่อกินแล้วไม่อร่อยโกรธใหม่ อันนี้โกรธใหม่นะไออยากกินมีราคะแล้วก็มีโทสะก็เกิดดับอยู่เรื่อยๆเลยแต่ไม่เห็นเห็นแต่ว่าไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นยาไอ้นั่นหน้ากินไอ้นี่ไม่อร่อยเห็นไมจิตมันจะไปอยู่ข้างนอกไม่ทันแงะดูตัวเองสักที <laughs> นั้นสิ่งที่เราต้องฝึกนะแงะดูแงะดูะด <laughs> พอเข้าใจไหมเนี่ยมันมีอะไร่อีกข้อหนึ่งอะไร พึงศึกษาความสงบพึงศึกษาสันติอุปสมะเลยนะตอนเป็นตอนเป็นหัวข้อเนี่ยใช้คำว่าอุปัสมะแต่พอควรจะทำอะไรกับอุปสมะท่านกลับใช้คำว่าพึงศึกษาสันติดัง mm hmm. นั้นสองคำนี้เป็นไวย์กันรู้จักไวยากน์ใช่ไหมคือคำที่ใช้แทนกันได้คำที่ใช้แทนกันได้คืออุปสมะก็คือความสงบสันติก็คือความสงบแปลได้แป ล, แป ล, แปลความหมายเดียวกัน พึงศึกษาสันติเราไม่ค่อยจะมีสันติเรามักจะชอบถูกกระตุน้นรู้สึกไหมว่าเราต้องได้รับการกระตุน้นแล้วสึกสะใจพอใจดีใจที่ได้รับการกระตุน้นนั่งอยู่เฉยๆเนย น, นะไม่ชอบต้องเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นไหมเป็นไหมเป็นต้องเปิดอะไรสักอย่างหนึ่ง เวลาดูกระตุ้นนิดๆนื้อหน่นอยก็รู้สึกด้าน <c oughs> ใจมันด้านที่จะกระตุ้นเล็กๆน้อยกต้องกระตุ้นแรงๆเป็นไหมแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นถ้าไม่ระวังนะมันจะไปจบที่ยาเสพติด <c oughs> <c oughs> เล่นเกมนะเล่นเกมอะไรเล็กๆน้อยเล่นได้ต้องเกมดุนแรงขึ้นหรือเกมที่มันยากขึ้นต้องอัปเลเวลต้องยากขึ้นยากขึ้นมีการกระตุ้นนะ มีการกระตุน้นแลมีการรังวัลมาล่อมีรังวัลมาลอกก็ถูกกระตุ้นให้ไม่สงบชอบให้ถูกกระตุ้นให้ไม่สงบคนเราเนี่ยนะปกติมีอาการอย่างหนึ่งแฝงไว้ในจิตคือชอบถูกกระตุน้นเลยไม่มีโอกาสไหนเลยที่จะมาศึกษาเรื่องสงบคือสันติอุปัสมาแต่ถ้าลองมาศึกษาดู ปลอดจากการกระตุ้นทั้งหลายทั้งภายนอกและในใจเองลองมาให้มีที่อยู่สักที่หนึ่งก่อนให้จิตมีที่อยู่สักที่หนึ่งใครเคยอยู่ที่ลมหายใจที่ปลายจมูกก็อยู่ที่ปลายจมูกใครเคยดูที่ท้องพองยุบก็ดูท้ทองพองยุบดูเฉยเฉยแล้วปล่อยให้มันแสดงความจริงความจริงคืออะไรเผลอเผลอเผลอครั้งแรกเนี่ย เห็นปลายทางแล้วหมายถึงอะไรเผลอไปแล้วมีราคะบ้างเผลอไปแล้วม well. ีโทสะบ้างเผลอไปแบบเฉยๆคือโมหะล้วนๆโมหะล้วนๆก็มีแล้วดูตามความจริงศึกษาอย่างี้นะจากสงบก่อนอยู่ที่ที่ไม่ต้องมีอะไรกระตุ้นอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวมันแสดงความจริงให้ดูเผลอไปตอนเผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอขณะนั้นมีสติดูไปเรื่อยๆชํานานมากขึ้น คราวนี้มันไม่เห็นปลายทางมันเห็นตอนมันเคลื่อนเห็นตอนมันเคลื่อนนะเห็นตอนมันเคลื่อนเนี่ได้ได้ความไม่เคลื่อนตอนมันเคลื่อนเนี่ยจิตมันจะไปหาสิ่งที่มันชอบไปที่ชอบที่ชอบมันเคลื่อนไปเลยนะถ้าไม่ทันความเคลื่อนมันจะไปปลายทางเช่นรู้หน้าคนนั้นรู้สิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็มีกิเลสกับสิ่งนั้นต่อไป แต่พอเรามีมีสติมากขึ้นมากขึ้นนะมันยังไม่ถึงปลายทางเลยเห็นมันเคลื่อนไปแล้วการเคลื่อนของจิตเนี่ยแสดงถึงความไม่ตั้งมั่นแต่พอเห็นความเคลื่อนมันเห็นที่จิตเห็นที่จิตปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เคลื่อนแล้วก็ตั้งมั่นพอดีเลยแต่วิธีนี้นีนะมันจะเห็นแวบๆจะตั้งมั่นแบบแวบๆต้องดูบ่อยๆเห็นมันเห็นมันเคลื่อนไปแล้วกลับมาใหม่เห็นมันเคลื่อนไปแล้วกลับมาใหม่ดูอย่างนี้บ่อยๆนะ ให้มีที่อยู่ของจิตไว้ก่อนใครดูพุดโทที่ปลายจมูกก็พูดโทที่ปลายจมูกใครดูลมหายใจก็ดูลมหายใจตรงนี้ใครดูท้องพองยุบ ก, ก็ดูท้องพองยุบแรกๆให้มีที่อยู่ไว้ก่อนก็เรียกก็มีวิหารธรรมมีวิหารธรรมดูไปดูไปก็จะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยจะถูกกระตุ้นถูกกระตุ้นอยู่เรื่อยๆเห็นว่าจิตถูกกระตุ้นจิตจะสงบจะมีสันติขึ้นมาในใจ ดูอย่างี้นั่นะเหมือนดูดูในแง่ตรงข้ามจิตขาดสติคือจิตที่เผลอไปและมีกิเลสรู้ทันความเผลอและเกิดกิเลสขณะนั้นมีสติจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่ไหลไม่เคลื่อนจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันความเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นดูดิความแปลกของการปฏิบัติธรรมนะจิตที่เผลอไปขาดสติรู้ทันความเผลอมีสติ จิตที่ตั้งมั่นคือไม่เคลื่อนถ้าจิตมันเคลื่อนแล้วรู้ทันความเคลื่อนขณะนั้นได้จิตตั้งมั่นจิตมีการกระตุ้นปรุงแต่งรู้ทันความกระตุน้นจิตหยุดปรุงแต่งดูอย่างงี้นะศึกษาสันติพึงศึกษาสันติแต่ดูไปแล้วเนี่ยจิตจะถูกกระตุน้นตัวกระตุน้นตัวหนึ่งที่สําหรับนักปฏิบัติคืออยากให้มันดีอีกอยังดีไม่พออยากดีอีกดีแล้วดีจังเลยดีอีกดีอีก ตัวนี้เรียกว่าถูกกระตุ้นด้วยความโลภถูกกระตุ้นด้วยความโลภจะเกิดอาการประคองเอาไว้จับยึดอยู่ที่ใดที่หนึ่ง น, นานๆแน่นๆด้วยความโลภอันนี้เรียกว่าเกิดการกำหนดหรือการประคองให้รู้ทันด้วยนะถูกกระตุ้นด้วยความโลภถ้ายัางไม่รู้ทันก็ไม่สงบไม่สงบจริงนะบีบเอาไว้เนี่ยให้มันอยู่กับที่นานๆเนี่ยก็ไม่สงบจริงหมดแรงบีบก็ดีดาเลยคนนี้ หมดั้ยเนี่ยวันนี้น่าจะจบทาตุวิพังคสูตรนัน <c oughs> ใครมีอะไรสงสัยไหมหรือฟังจนงงมึนไม่รู้จะตั้งคำถามอะไรมีอะไรไหม <c oughs> ใครฟังเรื่องน้าใสไปแล้วบ้างถ้าได้ยินคาว่าน้าใสเนี่ยนึกถึงอะไรนึกถึงหมาแล้วใช่ไหม <c oughs> สัญญามันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมนี่สัญญาเปลี่ยน ใครไม่ได้ยินบ้างใครเคยไม่เคยฟังบ้างใครไม่เคยฟังก็ไปโหลดเอาหรือจะฟังตอนนี้ฟังตอนนี้เดี๋ยวคนอื่นจะจืดยอมไหมยอมจืดไหมใครไม่เคยฟังกยเยอะนี่